เป็นกุศลที่เราทำก่อนที่ก็ที่ไปไปบวชนะไปบวชที่ลังกาที่ที่หลายคนรู้จักนะไปไปบวชแล้วไปอยู่บนเดียวแล้วก็เขาก็เป็นคนทําบุญก่อนไปทําบุญหน้าวัดเป็นห้าสิบโอห้าสิบโมอาจารย์แไปที่โนนที่ลังกาไออาจารย์ ขอให้จเจริญนะครับเลยอาจารย์มาจริงๆับมาช่วยก็โชคดีไปแม ถ, ถ้าได้อย่างนี้ก็ดีนะมีคนบอกคนดนใจที่รู้สึกให้ได้คำตอบบอกให้ได้ยินกระหูแล้วก็หาความขอดคล้องหาข้อมูลให้ไอ้ข้อขข้องต่างๆเนี่ยมันเกิดการคลี่คลายไปในลักษณ ะ, ะประหลาดประหลาด หลายอย่างแ่ะตามที่เขาเล่าให้ฟังนี่เป็นอาจารย์ที่ที่ทําให้เราจเจริญในธรรมได้คือเรื่องอย่างนี้นะ่ะเราก็เคยยกตัวอย่างวันสมัยพุทธกาลก็มีจริงๆนะเช่นพระภาหิยะก็เป็นต้นพระพายะก็ได้เพื่อนเป็นอาจารย์จําได้ไมะมาจากสุทาวาสที่ลงมาช่วยมาบอกเมื่อกี้เน่ แต่บางคนก็เลือดกับอาจารย์อย่างเช่นพระโกกาลิกะอาจารย์ลงมาจากเทวโลกเยวมาให้เห็นเขียวๆมาปรสอนปรากฏว่าพระโกริกาไล่อาจารย์าอาจารย์ไม่เกี่ยวมอาจารย์ก็เลยบอกไอ้นี่เดี้ยวยาไม่ได้ไปเลยก็เลยตายไปตกนรกจําได้นะพระโกกาลิกะที่เคยไล่กัอน อันนี้นนรเรียกว่าเทวดาคุ้มครองปฏิการปฏิบัติธรรมท ำ, ทำเป็นเรื่หนึ่งที่ทำให้จิตสากมันได้เดี๋ยวข้อเก้าสีหน้าย่อมผ่องใสการกิงคนปฏิบัติธรรมเน่นสีหน้าผ่องใสอ ย, อยู่แล้วแต่เมตตานั้นทำให้เกิดภาวะของความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษ คือผ่องใสที่มันผ่องใสอย่างธรรมดาผ่องใสอย่างเป็นลักษณะเรียกว่ามีเสน่ห์ชวนให้รักเมตตาเนี่ยนะฮะเหมือนบุคลิกของคนที่มีเมตตาเนี่ยจะมีเสน่ห์ในลักษณะชวนให้รักแต่ถ้าหากว่าเป็นคนผ่องใสก็เหมือนคนหน้าตาสวยอย่างธรรมดาแต่ไม่มีเสน่ห์ชวนให้รักก็ลองคิดดูกันแล้วกันเจ้าหญิงคนที่สวยกว่าเจ้าหญิงดหน้ารักสีห้าเท่าเนี่ยมีไหมในโลกนี้มีนะแล้วทําไมถึงน่ารัก สู้เจ้าหญิงแตน่าไมได้ที่เราพูดตามตามความรู้สึกคนหนึ่งกันนะที่เขารู้สึกกันมันเป็นตัว อ, อะไรเจ้าหญิงแตน่ามีเมตตาเยอะไหมมีเมตตานะนี่เป็นลักษณ ะ, ะของคนที่มีเมตตาวันโนเนี่ยมันแปลได้ ได้สองอย่างแปลว่าสีก็ได้แล้วแปลว่าสวยก็ได้เหมือนวันนะมัจจริยะความประนีตความงามใช้คำว่าวันนแะแต่แปลว่างามตัวเมตตาก็ทำให้เกิดลัศนคติในลักษณะของความงามได้อีกส่วนหนึ่งครับ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 พูดสองที่แต่ ว, ว่าคนละแห่กันและได้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าคนที่มีเมตตาเองเนี่ยภาวะจิตของตัวเองก็พ่องใสเองและผู้ที่มีเมตตาแต่เมตาก่อนตายเนี่ยก็ทำให้มีผู้มาอานุเคราะห์ช่วยเหลือคือพวกเทวดาญาติสารุหิตที่ร่วงรับไปแล้ว หรือเจ้าที่เจ้าทางที่เราไปทําการลกิริยาที่นั้นเมื่อเขาได้สัมผัสเมตตาได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษมีไฟกระจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้อารมณ์มาดนใจมาให้อารมณ์ทําให้เรานั้นได้อารมณ์ที่เป็นกรร ม, มะนิมิตอารมณ์กรรมะอารมณ์กรรมะนี้มิคตินิมิต น, น, น, นะฮะที่ดีจากท่านเหล่านั้นช่วยคือถ้าว่าเราไม่มีเมตตาเนี่ย ่าลองคิดดูนะสมมตว่าเราจะจะตายอลูกหลังเข้าหน้ามันติดเจอลูกหน้าลูกเจอหน้าหลานรายหนึ่งเนี่ยเขา <c oughs> เขาบอกว่าแม่เขาตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะอพูดไม่เคยพูดไม่ดีกับลูกพูดดีกับลูกแต่พอป่วยจะตายขึ้นมาเนี่ยดุด่าลูกจนลูกในใจเสียคือคานไม่ถึงว่าเทาไมแม่เรา ไม่เคยเป็นอย่างนี้ทําไมมาเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากอยู่ว่าให้แม่เสียอารมณ์ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่พอม่อยู่แล้วแม่จะเสียอารมณ์มากขึ้นหรือว่าจะอารมณ์ดีขึ้นก็ไม่ไา้แต่คนที่ใกล้จะตายแล้วมีลักษณะของความไม่มีเมตตาไม่เข้าใจกายใจขุนหมองเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมเข้านักที่เรียกว่าเข้าหน้าไมกจริง ก็ไปกันหมดไม่มีคนดูแลตัวก็วุกระวายมากยิ่งขึ้ น, นและเจ้ากรรมนายเวรก็เข้าม า, เ, าเกี่ยวข้องได้ง่ายเจ้ากรรมนายเวรก็คือว่าคนที่เรากล้าที่เราเบียดเบียนเขาไว้เนี่ยเขาก็เข้ามาย่ำยีจิตใจของเราให้เกิดภาวะของความไม่ได้อารมณ์ที่ดีเหมือนพฤติกรรมของคนที่ทําเวรทํากรรมฆ่าสัตว์ชั ต, ตชีวิตมาเยอะๆเวลาใกล้จะตายแล้วเห็นเป็นอย่างงู้อย่างนี้ <c oughs> เห็นอย่างสมมติว่าเห็นไก่เห็นปลาไอคนที่เค ย, คยปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไว้เนี่ยเขาบอกเห็นแล้วมันยิ้มให้เขายิ้มไงเป็นยิ้มให้ไอคนที่ไปฆ่าเอาไว้บอกเห็นแล้วมันน่ากลัวอย่างพวกไอ ส, สัตว์สวยๆน้ำหนามอย่างเช่นลูกเขามันขันว่าเปาะปกติมันขันปล่าแต่กับคนนี้แล้วมันเสียงมันน่ากลัว เสียง ข, ขันมันน่ากลัวหน้าตามันน่ากลัวทําให้จิตใจของคนคนนั้นเกิดสภาวะของความปรับสนวุ่นวายวิปัสสนาทอนใจมากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องของเจ้ากรรมนายเวที่มาทําให้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะของความลุ่มหลงคือความขาดสติมากยิ่งขึ้นและเมื่อตายไปด้วยอาการอย่างนั้นก็เข้าถึงทุกขติค่อนข้างจะแน่นอน นี่เป็นผลประการที่สิบครับสิบเอ็ดเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงโครมาโลกคำว่าคุณอันยิ่งมีหมายถึงเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมเข้าถึงโคมโลกตรงนี้ขอให้เข้าใจว่าท่านหมายถึงผู้ที่ แผ่เมตตาจนได้ฌานคือเป็นเมตตาเจโตทมุหมดแล้วเมื่อได้ฌานแล้วตายเนี่ยก็ต้องเข้าถึงตัวโลกเนี่ยตามหลักการทางพุทธศาสนานะแต่ถ้าหากว่าได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ก็ไปนิพพานสำหรับผู้ที่แผ่เมตตาอย่างธรรมดาคืออย่างเราเนี่ยข้อนี้ก็เห็นจะกล่าวไม่ได้หมายความว่า ถ้าคุณเบื่องสูงก็ไม่ได้บรรลุฌานก็ไม่ได้สิ่งที่จะพูดได้ก็คือว่าย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีการเปบียนเวลาไปเกิ ด, ด, ด, ด, ดคนที่ตายด้วยเมตตาเนี่ยไอ้บุญอย่างนี้มันจะคุ้มครองคุ้มครองทำให้เราเนี่ยไม่เช่นว่าไม่ไปเกิดในกเมศเนี่ยนะกเมศเนี่เปลี่ยดเบียนกันเนี่มันถ้าคนมีเมตตาคุ้มเป็นกรำนาเกิดตอนไปตา หรือไปไม่ใปเข้าท้องพ่อแม่ที่ขงไข้ติ้ไรรงไข้กว้างตัวจะมีไข้ติ้งไข้กว้างไปเลยคือะอะไรยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลงสัยจาเป็นมากเพราะว่าโลกเนี่ยมันชักจะเดือดร้อนรุ่นวายมีภาวะความเปลี่ยนเบี่ยงถุงก็จะมีอะไรปร ะ, ประหลาเกิดขึ้นเรื่อยๆน ะ, อ, ะอยู่ๆก็ไฟไหม้ป่าแล้วก็เดือดร้อนไปถึงอีกประเทศหนึ่งอันนะ้น แล้วก็ืึองบินตกน้าท่วมตึกถล่มว่าอะไรกัอะไ ร, ะ ไ, รไม่รู้เยอะแยะม า, าวางความเบียดเบียนนี้แล้วก็การเบียดเบียนกันเองในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็จะมีลักษณ ะ, ะประหลาดมากยิ่งขึ้นนั้นการให้การคุ้มครองตัวเองเพื่อให้เราได้ไปอยู่ในที่ดีเนี่ยอ่ามีพูดนึกว่าตอนจะตายก่อนเนี่ยนะก็ใช้การแผ่เมตตาเป็นตัวปลุยทาง เราก็จะไม่หนึ่งคือไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปตายทั้งกลมหรือว่าไม่ไปโดนยากลุมไม่ไปโดนอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในกรณีที่ยังไม่ตายก็กล่าวได้ในหลักข้อตรงขลาะรงในข้อ11สิบเอ็ดนี้คือคนที่มีเมตานี่อยู่ได้เราถึงพูดกันแบบ ทางคุทธศาสนาว่าไอภาวะทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเราต้องใช้เมตตามากใช้นี่เพื่อให้เราไม่เดือดร้อนนะแต่คนอื่นก็ร้อยไม่เดือดร้อนไปด้วยคำหนึ่งถึงคนอื่นว่า เ, ออเราเราจะจับจ่ายใช้สอยคำหนึ่งว่าให้เขาได้อะไรขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนั้นบางทีแท็กซี่มาจอดมันตับเลยนะแดงโรยดูแล้วมันหน้า มึงใครมดแย่งเงินเป็นแถวอย่างตอนนี้ลูกค้ามัไปมีอ่าแต่เราก็เป็นคช่วยส่งคลอไ็กซีนั่งท็กซี่สักคู่เรียะนะเราก็นั่งนั่งเลยนึกในใจว่าเออเราก็อาจจะมีความจำเป็นแต่เราก็อาจจะไม่นั่งกระดาษแต่คนนั้นก็ช่วยส่งกลอบ้างหน่อยช่วยส่งกลอบ้นหน่อยอย่างน้อยก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลกับเราแล้วก็ให้เขาได้มีรายร่องรายได้อะไรกันเท่าที่เราจะทําได้เนี่ยโดยการซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ตามก็ก็ทําอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราคิดช่วยเหลือคือกูลกันอย่างนี้ผลที่จะได้ก่อนนี่คือตัวเราเองเราจะอยู่สะดวกคือไม่ผูกเบียเบ่ยนเปียนไม่ได้รับความเดือดร้อนไอ้คนที่ตกงานกแสนที่มันจะไปพ่นไปที่ไปยักยอกคนอื่นมันก็หลีกเลี่ยงเสียไปทําอะไรที่ไม่ควรมีเบียน เขาไม่จ้างเราเราก็ช่วยทําให้วเขา เ, เรียดูดิมันจะแข็งใจในจ้างอันนั้หรูปั่นะช่วยทํานั่นทำนี้เดี๋ยวก็เขาก็เห็นมึงกูนะี่เออเวลานี้นะ่ะบริษัททางร้านปลดคนงานจะเป็นแถวที่เรามีบริษัทนะึ่งเออผมฟังแล้วเขาก็ทําส่วนตางเจ้าบ้านบอคนอื่นปลดผมไม่ปลดผมรับเพิ่มผมรับเพิ่มแล้วทําไมอ่ะ บกงานก็ไม่เพิ่มแต่รับเพิ่มไอ้ถึงนก็มีงานเพิ่มหาทางมาเพิ่มงานเพิ่มอะไเพราะอะไรเพราะาสงสารคนสงสารคนที่ตกงานก็เลยรับเพิ่มบริษัทนี้อยู่แถวไม้แล ะ, กะเกษตรครับอ่าเอาเอซึอ่งความคิดสิแมถ้าคนไม่เชื่อก็่าโง่สินดีนะตอนนี้มันน่าจะกดขี่โขกสับเอาให้ สะใจไปเลยถึงได้ทีล้วขี่แไปได้ก็เลยนึกว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วไอ้ธรรมะนี่มันมักจะสวนกระแสแะเสมอนะแต่ว่าไอส้สวนกระแสเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยทนวนกระแสตัวกระแสชีวิตธรรมดาของชาวโลกก็เสมอถ้าเราทําแล้วเรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วไอ้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าให้เราอยู่เย็น เราอยู่เย็นเราไม่ใครเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเราเข้าถึงแตกใจคนบางคนนะว่าคนอนื่นเขาเดือดร้อนให้เขาเขาเห็นเขาไม่เห็นมีอะไรวันจันทร์ที่แล้วมางคนเขาไม่เห็นมีอะไรที่ว่านี่ก็เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะไม่เห็นมีอะไรคนอื่นเกามีอะไรเขาอย่างเออทําไมคนอื่นก็เขามีอะไรทําไมเราไม่มีอะไร มันบุญคุ้มเขา้าจริงๆนะให้เรามองดูเนี่ยเราก็บุญที่เขาสะสมก็ทําอย่างตอนื่องแล้วก็ปกแผ่ไว้อย่างดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเข้าไปถึงตัวก็ก็เลยดูดีไปเพราะฉะนั้นถ้าคนมีเมตตา <c oughs> อย่างนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมากแค่ทำให้ไอ้ลักษมีของความเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่นั่นแล้วมันก็ดูดีไปทุกที่ตัวเองก็เลยไม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาวาเปลี่ยนเทธรรมะมันช่วยคุม ม, มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงโลกอันไม่เบียเบี่ยนเดี๋ยวนี้เราก็เลยนึกว่าเออยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแทนที่จะลดลาวาสอบเรื่องการทำบุญ ก็พยายามหาช่องทำให้มันดีขึ้นะใช้คําว่าทำนั่นดีขึ้นอย่าอย่าท้อแท้ทําั่นมันดีขึ้นตัวคนเต้ายังไปปล่อยปลาเอาไปให้ยายุดที่บ้านนะอย่าหยุดปล่อยล่อยแล้วก็ใส่ปลาถ้าใส่ทาให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะเราอาจจะประหยัดจะอะไรคือให้ขยายไม่ใช่ว่าด้วยความตระหนี่ทีเดียวนะแล้วพื้นสุดมันก็มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไร เออะเ่งของแมตาานทเจตนาหว่าบางคนเข้าใจว่าการช่วยทัทเนี่ยจะช่วย้แต่บางคนาคนเนี่ยเราเอาทักไปเรื่องรุ่นพ่อใช่หมอแต่ก็รูีเจตนาที่ของถึงจะเรียกว่าเป็นแมตาอ๋อ้ตรงนี้ต้องต้องตั้งคาถามว่าอ่า การทำเมตตาเนี่ยนะควรจะคํานึงถึงอะไรนะคำนึงถึงถึงผลที่ผู้ที่เราทำให้จะได้รับหรือว่าคานึงถึงว่าเราสัแต่ว่ า, าสัาแดงเมตตาออกไปเท่านั้นคาตอบนี้ก็คือว่าการทำบุญทุกอย่างทำดีทุกอย่างการแผ่เมตตาการสัแดงเมตตาการทำเมตตา ถ้ามีความละเอียดครบถ้วนมีความละเอียดละเมียดละไมมีความรัดกุมมีความแยกขายครบถ้วนเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์เพื่อกูนมากเท่านั้นเพราะนั้นเมตตาในจริงมีคุณภาพไม่เหมือนกันเราจริงได้เห็นว่าบา ง, บางคนมีลักษณะทั้งเมตตาแต่แต่เป็นคนสมองนิ่งเรื่องนี้บางทีเราก็ต้องพูดกับบางคนตรงๆนะ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 ้ลูกน้องนั่งถอเถอะยืนนั่งไปในรถ่ ย, ลยแล้วก็บางทีบอกว่าไปนี่หน่อยมันเถียงบอกว่าแหมรถติดไม่ไปอะไรอย่างนี้แอย่างนี้เนะทุพี่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าแหมเขาก็จะไป <c oughs> ดุนแรงไปเดี๋ยวเขาก็จะทำหนิได้ว่าอะไรกันใจบุญสุนทาน แล้วทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้อ ย, อย่างนี้หรืออย่างจะนิสที่มันขัดใจลูน้องผมก็บอกว่านี่เมตตายอย่างนี้ไม่แยกขาดนะและ้วมันไม่ได้เป็นผลเสียกับเราเท่านั้นหรอกนะมันเป็นผลเสียกับผู้ใต้ปกครองเราด้วยถ้าผู้ใต้ปกครองเราเราดูแลเขาอย่างนี้เราสอนก็ไม่ดีบุตรถ้าก็ไม่อยู่ไม่ดก็อยู่ไม่น่านี่จริงจัง ที่เขาไม่อยู่กับตัวเขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่อยู่ตัวเนี่ยเพราะว่าตัวเมตตาเขาแบบนี้ให้คนอื่นน่าจะไม่มีเมตตาไม่ถูกใจเขาก็ไล่เปิดเลยนะนี่ว่ามาอยู่กับคนนี้เขาเมตตาไม่เป็นเมตตาลุกเมตตาตานเสียงหมดก็ไม่ถูกอันนี้เรียกว่าไม่ไม่แยบขายอีนนี้มันอีกแบบนึ่งอ่าถ้าเป็นอย่างนี้น่ะจะเรียกว่าเป็นเมตตาแบบ เฉยแค่นะเฉยแค่บางคนก็เมตตาแบบร้อนแปดลิ้กันนะเมตตาน่าจะเย็นนะไมร้อนร้อนนี่หมายถึงว่าวัว่วงย้ายไปหมดลูกหลานพ่อแม่พี่น้องแล้วคอยชี้นิ้วต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ต, อ, อ, ย ต, อ, อ, ยต อ, อย่างนี้ทุกคนก็กลุ้มเลยกลุ่มก็เมตตาแบบนี้ไม่อยากให้มาเมตตาเลยเป็นเราเราก็ไม่ชอบ แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาเขาปรารถนาดีสิ่งที่เข า, เาจะอ้างกันทุกคนนะเขาห่วงใหยเขาปรารถนาดีแต่ผมก็บอกว่าที่แพ้แล้วมันเป็นความเห็นแก่ตัวต่างหากละ่ะทําไมถึงว่าเป็นความเห็นแก่ตัวผมก็เทียบใหฟังที่ผมพูดไปเจ้าตัวก็เลยนะมันบอกว่าเหมือนคนถึงนะไอ้คนขึงบอกให้ฉันเป็นห่วงนะไอ้ ความีจแออย่างเงีตัวใจบ้าคนอื่นนะเห็นแก่ตัวกลัวจะเสียแต่นี่หัวหัวคอขยับนี่ขยับหน่อยไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนห่วงอนะแต่จะเรียกเข้าห้องน้ำมันต้องไปยืนรอเนี้ยด้วยความเป็นห่วงห่วงอันนี้ไม่ได้กลัวจะตกส้วมแบบกลัวคนอื่นจะฉุดไปที <c oughs> นี้ไอ้กรณีของของคนที่คิดว่าเม่ตาอย่างนี้นก็คือ จะทำอะไรตามใจตัวให้ทุกคนมาอยู่ในอำนาจในคำเชื่อปังและคำอะสอนคำแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่แยบขายจริงๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ตื้นตื้นไม่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าไม่ทำตามใจตัวและสิ่งนั้นไม่ถูกต้องด้วยก็เลยกลายเป็นเมตตาปลอม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 ตีตะตุ่งเราได้เหมือนยังครูคนหนึ่งก็ตีผมอะทำไ ม, มเด็กๆออนหนึ่ง ม, มันคนเดแค่ตีที่ไหนไม่ตีตีตะตุ่งโพดฐานเราไปอ่อยเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งคือให้เรามั น, มนหลานคนเดียวในตระกูลเลยา เราก็ไม่รู้ดิทุกคนต่างใจทุกคนต่ า, างใจเราหมดดิเพราะนั้นเราจะทําอะไรก็ไม่มีเราก็ไม่รู้่นะความจริงสันดาลเราคงไม่เลวขนาดนั้นนะ <c oughs> ทีนี้พอไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเรานึกว่าที่โรงเรียนบ้านเราเราจะเอาอะไรก็ได้ใครมาขัดใจเราเลยนึกควรเป็นความผิดกับเลยไปต่อยเข้ามาครูเข้าเตีนเข้าก็เลียกปี ตังกระบดนั้นนิสายผงเปลี่ยนทันทีเลยที่เดียวอนะ่ะแต่ตอนนั้นไม่ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกขอบคุณครูนะมารู้สึกที่หลังอนะ่ะตอนนั้นเราเพียงใดเราเปลี่ยนเอ้ยไม่ถูกแต่ไม่ได้ทราบเป็นคุณครูตอนหลังถึงมาไนดะ้เออแม้ถ้าเราไม่โดนครูตีตะตุ่มตอนนั้นเนี่ยคงต้องไปต่อยปากใครก็อีกหลายคนาอาจจะติดนิสายไม่จนโตก็ได้ อ, องั้นครูครูทําถูกแหละ ครูนั่นคือครูสว่างคำผลสิริ่อยากจำแกได้ตั้งแต่เรียนบน่นแกตายไปล่ละอันนี้ก็ก็เป็นเมตตานะการแสดงออกเนี่ยจะแสดงออกอยังไงก็ได้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนทะะีนี้บางคนเนี่ยถึงบอกในในสังคมเราเนี่ยมีคนประเภทนี้อยู่ล่งขวัที่เป็นคนดีแล้วก็ ทำหลายแบบคํานึงจิตใจของคนอื่นแต่เมื่อค้นลงไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่กลัวคนอื่นก็จะไม่รักเอ๊มันมันกลายเป็นเรื่องรูปของความเป็นตัวมีเยอะเลยครับผมเกิดจะเอ่ยชื่อได้เลยนะเอยแล้วท่านก็ต้องรู้จักด้วยแต่มันก็เอ่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาบอกเนี่ยเราผิดพลาดมาจนแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าตัวคนเขาจะไม่รัก ผมเลยบอกว่าเนี่ยธรรมะของพระเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกอันหนึ่งเวลาสอนตาบอกาว่าจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะคํานึงในใด้วยความโลภในความรักของคนอื่นเหมือนคนํานึงถึงหน้าตาคํานึงถึงให้ผลประโยชน์รูปหนึ่งนะนะตัวคนอื่นจะไม่รักเลยทําให้อย่างคนกรเนี้ยไปไงรู้ไหมเวลา <c oughs> <c oughs> แกขับรถจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยไอ้ธรรมดาความเปลี่ยนใจตามต้งวนแกเหตุผลไม่มีแต่นี่ไม่อ่ะ บันทีกขับรถเมียยังไม่ทันจะยกขาคือเลยกะรีบออกรถแล้วยังดูเมียไม่้ข้างหลังก็หล่อคือลนไปหมดเลยใจคนอื่นก็เจอทั้งไม่คำนึงถึงคนในปกครองลูกเมียลูกต้าหัวล้างข้างแต่เนี่ยเรียกว่าลนจริงๆถ้ า, ถาไม่เป็นประธานสภาเนี่ยพูดได้เลยว่าอย่าลนน่นนะ คือมันเกี่ยวข้องทุกอย่างนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยตั้งแต่คนนั้นคนนี้มุมนั้นมุมนี้นะทีนี้ไอ้คนอย่างนี้มันเป็นอันตรายจริงๆว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนผิดเนี่ยตัวต้องการความรักจากคนชั่วต้องไปทําความชั่วโดยไม่รู้ตัวไปเกรงใจแล้วมันมีไอ้คนที่ต้องเสียหายในชีวิตเพราะเพราะตรงนี้จริงๆครับแล้วพอมาอายุมากขึ้ น, นแก้ยากอ่ะ แก้ยากเดี๋ยวก็พบเหรอเอาอละไปเกรงใจกลัวเขาจะเกลียดกลัวก็าจะคงขอโทษนะฮะอย่างรายหนึ่งเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงผู้หญิงสาวแล้วก็ไปเกรงใจใครเขาขออะไรกลัวเขาจะเกลียด น, นะขอยืมเงินให้เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ นี่มาเสียหายตรงที่ว่าไปเกรงใจไปตัวเป็นหญิงสาวจะมาแล้วก็ไปเก็งใจวูจายเขามาจับมือเกรงใจนี่ไม่ใช่แกล้งนะทริที <g ül> เลยทําให้ตัวเองต้องไปเสียหายในเรื่องพฤติกรรมทางเพศมันท้อยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องชีวิตของคนที่เดินอยู่ในในสังคมกรุ ง, ง, งเทพแล้วเนี่ย มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ผมเลยบอกว่าต่อไปนี้เวลาออกจากบ้านเจอหน้าคนมาให้ท่องคาถาเวสาลจังเวสาลจังแปลว่ากล้าอ่านแปลว่ากล้าแปลว่ากล้าเอาคาถาพระพุทธเจ้ามาเวสาละจั ง, ววงเวสาละจังแออนนงันว่า มันเกิดจากอะไรวิเคราะห์ก็คุยๆกันตอนนั้นก็ออกมาเป็นเหตุผลพอสมควรนะแต่ยังไม่ถึงจุดอันหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นลักษณะของความโลภอันหนึ่งาว่าอย่างในทางธรรมะเนี่ยนะความโลภในลาบความโลภในสักการะความโลภในชื่อเสียงแล้วก็ความอยากให้เขารักอยากนี่เป็นใช้หมว่าเป็นความโลภถ้าว่าเป็น เป็นความรับผิดชอบในธรรมะนี่ถือว่าดีนะในข้อที่ว่าเราต้องคานึงถึงว่าไม่ทําตัวให้คนอื่นเขาเกลียดอย่างไม่ถูกต้องคือรักต้องรักอย่างถูกต้องและรักอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เลยเขามาบอกให้เราโดดท่วมแล้วก็จะรักเราเราก็โดดเนี่ยเรื่องอะไรอย่างงั้นมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวเอยแล้วมักจะตกเป็นเหยื่อของคน เอาเปรียบของคนชั่วนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนพวกนี้เวลาแผ่เมตตาเนี่ยทิ้งต้องอมีเงื่อนไขบางอย่างกำกับไอ้อุปริไซที่เป็นช่องโหว่ของเมตตาตรงนี้เจ้าน่ะเออครับลองนำมาใชกันคนที่เขาเห็นเมตตามันยากมากเรื่องอยาก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 มีความดีบางทีเราเอาแเดียว